แนะนำบทอัลฮัจบทอัลฮัจเป็นบทมารดียะมี24องค์การแกนหลักของบทนี้คือการกล่าวถึงสงครามบานีอันนาดีรซึ่งเป็นตระกูลหนึ่งของชาวยิวที่ผิดสัญญากับท่านรอสูลสลลัลลฮุอะไลฮะซัลลัมท่านจึงขับไล่พวกเขาให้ออกจากนครบาดีนะดังนั้นอิบนูอับบาสจึงเรียกบทนี้ว่าบท บานีอันนาเดรในบทนี้ได้กล่าวถึงพวกมุนาฟีกีนที่ทำสัญญาเป็นพันธมิตรกับพวกยิวโดยสรุปแล้วคือเป็นบทที่พูดเกี่ยวกับสงครามการศิละและทรัพย์สินเฉลิยบทนี้ได้เริ่มโดยการให้ความบริสุทธิ์แด่อลล์และแท้สองสะดุดีพระองค์จักรวาลที่ประกอบด้วยมนุษย์สัตว์พืชพันและวัตถุต่างก็ยืนยันให้ความเป็นเอกภาพแด่อลล์เดชานุภาพของพระองค์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 บทนี้ได้กล่าวสรรเสริญถึงบรรดาสาวกของท่านรอซูลลลอฮฺอะลัยวะซัลลัมโดยได้กล่าวถึงชื่อเสียงเกียรติยศของบรรดาชาวมุฮัยยุรีนและความดีงามของบรรดาชาวอันซอรเมื่อกล่าวถึงชาวมุฮัยยุรีนและชาวอันซอรบทนี้ก็ได้กล่าวถึงพวกมูนาฟิกีนซึ่งพวกเขาได้ทําสัญญาเป็นพัธมิตรกับชาวอยู่เป็นปฏิปักษ์ต่ออิสลาม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 ที่การเริ่มต้นและการลงท้ายสอดคล้องกันอย่างดีด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ส, و و ز ز สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินต่างแท้สองสดุดีแด่อัลลอะ และพระองเป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชา يَحْتَسِبُوا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 า ين ين การที่พวกเจ้าค้นต้นอินทพ ล, ลัมหรือปล่อยให้มันยืนไว้บนรากฐานของมันนั้นนั่นก็เนื่องด้วยอนุ ม, มัติของอัลลอฮ์และเพื่อที่พระองค์จะทำให้บรรดาผู้ฝ่าฝืนได้รับความอัปย وما أفا الله على رسوله منهم فما أوجفتم فما أ و ج ْ ت م عليه من خيله ولا ركابه ولكن الله يسلّط ر س ُ ل ه ولكن الله يسلّط ر س ُ ل ه على من يشاء และสิ่งที่ Allah ส่งให้ศาสนาทูตของพปร่งยึดมาได้จากพวกเขาคือพวกชาวอยู่พวกเจ้าไม่ได้เหน็ดเหนื่อยด้วยการขี่ม้าหรือขี่อูดออกไปแต่ล l ะ a h ส่งให้บรรดาศาสนาทูตของโปรง่งมีอำนาจเหนือผู้ที่โปร่งทรงประสงค์และ Allah นั้นเป็นผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งมา الله على رسوله من أهل القراف َ ل ل ه ولرسول ولد القبّا و ل ِ ا ل ق ب َ واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آ ت ا ك م الرسول فخذوه وما نهكم ا عنه فانتهوا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 ก็จงยึดเอาไว้และอันใดที่ท่านได้ห้ามพวกเจ้าพวกเจ้าก็จงละเว้นเสียพวกเจ้าจงยำเกรง อ, อ, อัลลอฮ์เถิดแท้จริงอลัลลอฮ์เป็นผู้ทรงลงโทษอย่างรุนแรงลิลฟุ قراء المهاجرين الذين أخرجوا من د ي ا ر มวาลิฮิมยั ي ر ث و น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 และพวกเขาจะช่วยเหลืออัลลอฮ์และรอซูลของพรุมชนเหล่านั้นคือผู้ที่พูดจริง และบรรดาผู้ที่ได้ตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นครมดีนะคือชาวอันซอร์และสถทามาก่อนหน้าแล้วพวกเขาจะรักใคร่ผู้ที่อพยพมาอย่างพวกเขา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 และบรรดาผู้ที่มาหลังจากพวกเขาโดยพวกเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราได้โปรดอภัยโทษให้แก่เราและพี่น้องของเรา ผู้ซึ่งได้ศรัทธาก่อนหน้าเราแล้วขอพระองค์อย่าได้มีการเครียดแค้นเกิดขึ้นในหวัวใจของเราต่อบันดาผู้ศรัทธาโอ้พระผู้อภิบาลของเราแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงเอ็นดูผู้ทรงเมตตาเสม อ, อ ล uh um an ่าินอัทรร j e c ج u m ล่ م ณัทรรจันน์น์มากระมุมว่าล่านุติย์อยู่ฟีคุมอะห์เดนอะบดาว่าอินคุมลนอลกบเจ้าม่เห็นดอกหรือว่าบรรดาผู้กลับกรอกกล่าวแก่พี่น้องของพวกเขาที่ปฏิเสธศรัทธาในหมู่ชาวคำผีว่าหากพวกเจ้าถูกไล่ออก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 แน่นอนบรรดาผู้กลับกรอกก็จะผินหลังหนีไปในที่สุดพวกเขาชาวยิวก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือและอทุมอัชดูรหบเตนที่ซดูริมมินอัลลอฮ์ ذلك بأنهمقوم لا يفقهون แน่นอนพวกเจ้านั้นเป็นที่หวาดกลัวอยู่ในสวงอกของพวกเขายิ่งกว่าที่พวกเขามีต่ออัลลอฮ์ทั้งนี้ก็เพราะว่า พวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ไม่เข้าใจพวกเขาทั้งหมดจะไม่ต่อสู้กับพวกเจ้า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 الله الله อพุสสะทธาทั้งหลายพวกเจ้าจงยำเกรงอลัลลอฮ์เถิดและทุกชีวิตจงพิจารณาดูว่าอะไรบ้างที่ตนได้เตรียมไว้สำหรับวันพรุ่งนี้คือวันกิยามะและจงยำเกรงอลัลลอฮ์เถิดถ้าจริงอลัลลอ์นั้นทรงรอบรู้ถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ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 ชาวนารกกับชาวสวรรค์ น, นั้นไม่เหมือนกันแน่ชาวสวรรค์จะเป็นผู้ที่ได้รับความสำเร็จแล้วอัลลอฮ์ ا ด้ให้เรื่องอัลกุรอานบนภูเขาที่เราเห็นเขาชัมุตัดันล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 ผู้ทรงเกรียงไกรอลัลลอฮ์ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเขาตั้งภากีพระองคคืออัล ล, ล, ล, ลอฮ์ผู้ทรงสร้างผู้ทรงบังเกิดผู้ทรงทำให้เป็นรูปร่างสำหรับพระองค์มีพระนามันสวยงาม สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินต่างแท่ซองสดุดีพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชายาน